พระสงฆ์ก็อยู่ในฐานะที่ควรแก่สามีจิกรรมที่ท่านทั้งหลายควรแก่จะกราบไหว้บูชานี่ก็เป็นคุณของพระสงฆ์ที่ท่านได้ตรัสไว้โดยย่ออย่างนี้ส่วนบทสรุปถึงบทจัตตาริปุริสายุคานิอุครานั้นจะได้นำอธิบายในวันต่อไปวันนี้เวลาของการบรรยายก็พอสมควรจะมาขอยุติการบรรยายไว้เพียงนี้ การบรรยายพระวิสุทธิมารคในวันนี้จะได้อธิบายในบทสังฆ ค, คุณต่อจากครั้งที่แล้ว <c oughs> ครั้งที่แล้วได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคุณของพระสงฆ์ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจมาถึงในบทยายะปฏิพันโนกับสามีจิตปฏิพันโนทั้งสองบท อ <c oughs> ในบทพระสังคปรุณนี้หรือในบทของคุณของพระสงฆ์นี้ท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจถึงคําว่าพระสงฆ์ดังกล่าวนี้ด้วยว่าพระสงฆ์ที่กล่าวถึงนี้อันมีคุณเป็นอนเนกประการนั้นหมายถึงพระสงฆ์ประเภทไหนเพราะว่าในพระบาลีท่านได้สรุปถึงพระสงฆ์ไว้ว่า จักตาริปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสปุขลาเอสะพระควะโตสาวกัสังโคแสดงให้เห็นว่าบุรุษสีดังกล่าวนี้หมายถึงพระอริยบุคคลแปดจำพวกพระอริยสงฆ์ปดจำพวกนี้ก็คือพระสงฆ์ที่ได้บรรลุถึงซึ่งโสดาปติมัติโสดาปติผลนี้จำพวกหนึ่ง พระักษทาคามิมกัสกสักษทาคามิผลจำพวกหนึ่งอนาคามิมกักอนาคาคามิผลจำพวกหนึ่งอรหัตตมัสและอรหัตตผลนี้อีกจำพวกหนึ่งรวมเป็นแปดจำพวกอันนี้เรียกว่าพระอริยสงฆ์แปดหรือพระอริยบุคคลแปดจำพวกซึ่งถึงพร้อมด้วยคุณดังกล่าวนี้หมายถึงว่า พระอริยบุคคลทั้งแปดจำพวกนี้เป็นสุปฏิปันโนคือเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นยายปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อเยียธรรมและเป็นสามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติเป็นบุคคลผู้ควรแก่สามีจิกรรมดังกล่าวแล้วเมื่อท่านได้สรุปให้เราได้เข้าใจถึง พระสงค์แปดจำพวกหมายถึงพระอาริยบุคคลทั้งแปดจำพวกนี้จึงมีเรื่องที่เราจะต้องสังเกตดูว่าพระอริยบุคคลทั้งแปดจำพวกที่ได้กล่าวนั้นจะมีอะไรเป็นเครื่องสังเกตว่าท่านผู้นี้เป็นอริยบุคคลเป็นโสดาบันบุคคลเป็นสกทาคามีบุคคล เป็นอนาคามีบุคคลและเป็นอรหันตะบุคคลคือเรื่องเครื่องสังเกตของพระสงฆ์เนี่ยสังเกตยากเพราะปริญญาของพระกับปริญญาของชาวโลกอันเป็นการประกาศหรือรับรองเกียรติคุณของบุคคลนั้นไม่เหมือนกันในทางพระพุทธศาสนานี้ถ้าพูดถึงคําว่าปริญญาแล้ว ท่านก็หมายถึงญาณหรือปัญญาที่ไปรู้อริยสัจจะทำญาณและปัญญาที่รู้อริยสัจจะทำนี้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องปรากฏให้เห็นว่าท่านผู้นี้ได้บรรลุถึงซึ่งปริญญานั้นปริญญานี้เช่นดังที่เราได้ฟังอยู่ในธรรมจักระทับปวัตนสูตรดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเครื่องสังเกตว่าพระสงฆ์องค์ใดท่านเป็นโสดาบัน เป็นพระสกทาคาเป็นอนาคาหรือเป็นพระอระหันต์จึงไม่มีอะไรเป็นเครื่องสังเกตว่าท่านผู้นี้ได้บรรลุถึงซึ่งคุณวิเศษแล้วเว้นไว้แต่ว่าจะมีท่านผู้ใดผู้หนึ่งมาพยากรณ์ให้เช่นอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงพยากรณว่ารูปนี้ได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วที่สําเร็จเป็นโสดาบันนั้นเพราะว่าท่านได้ละกิเลสอะไรได้บ้างยังเหลือกิเลสอะไรอีกท่านผู้นี้เป็นสกทาคามีแล้ว ได้ทำอะไรให้เบาบางลงไปบ้างท่านผู้นี้เป็นพระอนาคามีแล้วละอะไรได้บ้างท่านผู้นี้เป็นพระอาราหันต์แล้วได้ทำลายกิเลสอะไรเป็นสมุดเฉดได้บ้างอันนี้เป็นเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าจะทรงพยากรบุคคลอื่นนี้ไม่สามารถที่จะพยากรมรรคผลได้ฉะนั้นจึงเป็นการยากอย่างยิ่งที่เราจะสังเกตได้ว่าท่านได้บรรลุถึงชั้นไหนแล้วแม้แต่ฆรวาสก็เหมือนกัน อย่างคราวญานี้ถ้าเราจะถามว่าใครบ้างที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยที่นั่งอยู่ในที่นี้ใครเป็นพระโสดาบันบ้างเราก็ไม่สามารถที่จะที่จะชี้ได้ว่าใครเป็นพระโสดาบันบ้างเพราะว่าโสดาบันซึ่งเป็นโสดาปฏิมาสโสดาปฏิผลนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องสังเกตยิ่งโสดาบันบุคคลเลยแล้วภาวะความเป็นอยู่ กับปุถุชนนั้นใกล้เคียงกันเพราะพระโสะดาบันก็ครองเรือนอยู่ยังมีบุตรมีพัญญายังครองเรือนอยู่เพราะว่ายัางละกิเลสคือราคะยังละไม่ได้หรือโลภะที่เป็นทิฏฐิกตะวิปยุทธ์เนี่ยยังละไม่ได้ละได้แต่เฉพาะทิฏฐิกตะสัมปยุทธ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงสังเกตไม่ได้ว่าใครบ้างเป็นพระโสะดาบัน อาจจะมีญาติโยมหลายคนที่เป็นโสดาบันบุคคลมาแล้วก็เป็นได้เพราะว่าโสดาบันบุคคลนั้นยังต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อีกอย่างมากก็7ชาติอย่างน้อยก็1ชาติถ้าเป็นโสดาบันประเภทเอกพิชีก็จะเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกชาติเดียวแล้วก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ถ้าหากว่าเป็นโกลังโกละก็จะเกิดตั้งแต่สองชาติถึง6ชาติแล้วก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ ถ้าหากว่าเป็นสตตกขตุปะมะก็จะเกิดอีกถึงเจ็ดชาติแล้วก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะฉะนั้นจึงสังเกตไม่ได้ว่าโยมคนใดบ้างได้บรรลุถึงซึ่งโสดาบันมาแล้วหรือได้เป็นโสดาบันมาเกิดอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะพยากรณ์ได้แต่ท่านผู้ที่เกิดมาในโลกมนุษย์นี้ก็ด้วยอานาจของกามาวจรกุศล พระโสดาบันนั้นท่านยังมีโอกาสมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกอย่างมากเกียชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องมรรคผลนั้นอันเป็นเรื่องของโลกุตตรธรรมเราจึงไม่สามารถที่จะพยากรณ์ได้เพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องสังเกตนั่นเองเมื่อไม่มีอะไรเป็นเครื่องสังเกตอย่างนี้ครั้นเราจะไปถามว่าพระคุณเจ้าเป็นพระโสดาบันหรืออย่าง พระท่านคงรู้จะตอบอยังไงท่านจะบอกว่าอาตมาเป็นโสดาบันแล้วหรือเป็นสกทาคามีบุคคลแล้วเป็นอนาคามีบุคคลแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วถ้าหากว่าท่านไม่ได้เป็นจริงก็ผิดพระวินัยท่านปรับหนะักวินัยคนนี้ถึงกับเป็นอวบัติปราชิก ค, คือขาดจาภาวะแห่งความเป็นพระภิกษุปรับมากคือถ้าหากว่า แต่กล่าวอวดมรรคผลที่ไม่มีในตนอย่างนี้ท่านก็ถือว่าขาดจากความเป็นพระวางวินัยไว้หนักมากทั้งนี้ก็ป้องกันพระสงค์อวดอ้างคุณวิเศษที่ไม่มีอยู่ในตนต่อบุคคลอื่นจะเพื่อลาบสการะหรือจะเพื่ออะไรก็ตามก็เพื่อป้องกันสิ่งทั้งหลายเหลา่านี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ที่มีปรากฏอยู่แม้จะไม่ใช่อริยบุคคลแปดจพวกนี้พระสงฆ์เหล่านั้นก็ยังจะต้องมีหน้าที่ปฏิบัติเป็นอุชุปฏิบัติคือเป็นสุปฏิบัติหมายถึงปฏิบัติดีเป็นอุชุปฏิบัติ ค, ปปตตปปตคือปฏิบัติตรงเป็นยายะปฏิบัติเพื่อปฏิบัติไปสู่เยียธรรมคือพระนิพพานเป็นสามีจิคือควรแก่การกระทําสามีจิกรรม นอกจากควรในสิ่งดังกล่าวแล้วพระสงฆ์ยังเป็นอาหุเนยะบุคคลด้วยคําว่าอาหูเนยะบุคคลนั้นคือบุคคลผู้ที่เป็นผู้ที่ควรของคํานับของคํานับเนี่ยก็คือเป็นผู้ควรที่เราจะได้นําสิ่งของไปถวายท่านจักว่าเป็นอาหุเนยะบุคคลอย่างพระสงฆ์ปัจจุบันนี้ก็เป็นอาหูเนยะบุคคลแต่ว่า จะเป็นอาหุเนยะบุคคลที่ประเสริฐเหมือนกับพระอริยเจ้านั้นนะไม่ได้อาหุเนยะบุคคลนี้นอกจากพระสงฆ์แล้วท่านก็ได้แสดงรวมไปถึงมารดาบิดาของเราด้วยแต่บอกมารดาบิดาของเรานี้ก็เป็นอาหุเนยะบุคคลของลูกบางแห่งท่านก็ยกย่องว่ามารดาบิดานั่นเป็นพระอระหันต์ของลูกหรือของบุตร ผู้ใดที่ปฏิบัติต่อมารดาบิดาผู้นั้นก็เสมือนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติต่อพระอรหันต์เหมือนกันเช่นอย่างผู้ใดที่บูชาบิดามารดาก็เหมือนกับบูชาพระอรหันต์เหมือนกันอันนี้เป็นการยกย่องยกย่องบุคคลผู้มีคุณธรรมสูงหรือผู้มีพระคุณต่อบุคคลดึงบุคคลใดโดยเฉพาะคือลูกอย่างนี้ท่านก็ยกย่องว่าเป็นอาหุเนยะบุคคลทั้งๆ ท, ที่มารดาบิดานั้นอาจจะไม่ได้บวชเป็นพระสงฆ์ แต่ก็เป็นอาหุเนยะบุคคลเฉพาะของบุตรเท่านั้นไม่ใช่ของบุคคลทั่วๆไปหรือเป็นพระอรหันต์ของบุตรเท่านั้นไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ของบุคคลทั่วๆไปฉะนั้นบุคคลใดก็ตามที่ปฏิบัติชอบตมาดาบิดาท่านก็ตรัสยกย่องว่าเป็นการปฏิบัติ ด, ดีแล้วถ้าบุคคลใดปฏิบัติผิดท่านก็ตรัสว่าเป็นบาปมากเหลือเกินจัดเป็นอนันตริยกรรมเท่ากับพระอรหรันต เช่นอย่างคนธรรมดาไปฆ่าพระอรหันต์ตายก็ถือว่าได้ทำอรหันตะฆาตเป็นอนันตริยกรรมเมื่อตายแล้วก็ต้องลงสู่อเวจีมหานรกและผู้ใดก็าตามหรือลูกคนใดก็าตามที่ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็จัดเป็นปิดตุฆาตกรรมและมาตุฆาตกรรมซึ่งกรรมชนิดนี้ก็ส่งผลลงสู่อเวจีมหานรกเท่ากันกับฆ่าพระอรหันต์ นี่แสดงให้เห็นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยกย่องบุคคลในฐานะที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมดังกล่าวแต่ว่ามารดาบิดานนั้นก็เป็นเฉพาะในวงแคบคือของบุตรแต่ว่าพระสงค์เนี่ยเป็นของบุคคล ท, ทั่วไปเช่นที่ได้กล่าวว่าอาหูเนยโยพระสงฆ์ควรแก่ของคํานับนั้นหมายถึงควรแก่ของคานับของบุคคล ท, ทั่วไปใครก็ตามที่ได้ถวายของแด่พระสงฆ์ หรือได้นําสิ่งของไปถวายแก่ประสงค์แล้วนั่นชื่อว่าท่านเป็นบุคคลที่เป็นอาหุเนยะบุคคลเราจึงได้ไปคํานับท่านอาหุเนยะเนี่ยแปลว่าเป็นผู้ควรของต้อนรับหรือควรที่จะรับของเช่นอย่างสมมุติว่าเรามีของของเราเนี่ยอยู่สักชิ้นหนึ่งเราอาจจะคิดว่าใครเนอเป็นบุคคลที่สมควรจะได้ของชิ้นนี้จากเรา เราอาจจะพิจารณาดูโดยรอบว่าผู้ที่ควรจะได้ของชนิดนี้คือใครเช่นอย่างสมมุติว่าเราได้ของรับประทานที่แปลกๆที่ดีๆรสดีมาสักอย่างหนึ่งเช่นสมมุติว่าเราได้ผลไม้ชนิดใหชนิดหนึ่งซึ่งเป็นผลไม้ที่มีรสดีแล้วก็เป็นของหายากเราจะต้องนึกก่อนว่าใครเป็นบุคคลที่ควรแก่ของสิ่งนี้ บุคคลที่ควรแก่ของสิ่งนี้คือใครที่จะเป็นปาหุเนยยะควรแก่ของของเราเราจะต้องนึกถึงพ่อถึงแม่ก่อนมารดาบิดานั่นแหละเป็นผู้ควรแก่ของสิ่งนี้ซึ่งลูกอาจจะต้องเอาของสิ่งเนี้ไปให้มารดาบิดาของตนถ้าไม่มีมารดาบิดาเราก็ต้องนึกว่าใครต่อจากมารดาบิดาที่ควรแก่ของสิ่งนี้เราก็อาจจะนึกถึงพระสงฆ์ที่เป็นครูบาอาจารย์ หรืออุปชาจารว่าพระสงฆ์ที่เป็นอุปชาจารของเราองค์เนี้ยควรที่จะได้ของสิ่งนี้เราจะต้องไปถวายพระแล้วเราก็นําของสิ่งนี้ไปถวายท่านก็แสดงว่าพระที่ได้รับของของเราอย่างเนี้ยเป็นปาหุเนยยัมารดาบิดาเป็นปาหุเนยยัแน่แล้วก็พระสงฆ์ที่ควรแก่ของอย่างนี้ก็เป็นปาหูเนยยับุคลคลควรที่เราวจะเอาของสิ่งเนี้ยไปถวายท่านมีญาติโยมหลายคนที่ ที่มีความรู้สึกอย่างนี้ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่เช่นอย่างสมมติว่าลูกเขาเดินทางมาจากต่างประเทศอุตส่าห์ซื้อผลไม้ต่างประเทศปปแปลกๆเนี่ยมาเพื่อที่จะมาฝากคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านได้รับประทานผลไมปป้แปลกๆที่ไม่มีอยู่ในเมืองไทยครั้นเอามาถึงแล้วไปมอบให้โยมกับไม่ยอมรับประทานซะอีก เนึกว่าแหมผลไม้นี่แปลกควรจะไปถวายพระโยมไม่ยอมรับประทานโอสุดท้ายไปถวายพระต่ออย่างนี้ก็มีที่เป็นดังนี้เพราะเหตุว่าเรานึกถึงบุคคลที่ควรแก่ของต้อนรับควรที่จะรับของอันนี้เป็นอัทยาศัยของพุทธศาสนิกชนทั่ ว, วไปโดยปกติแล้วเรามีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันเรามีจิตบำเป็นกุศลอยู่เสมอ มีอะไรมาก็อดจะนึกถึงคนอื่นไม่ได้นึกถึงเพื่อนไม่ได้นึกถึงญาติพี่น้องนึกถึงมารดาบิดานึกถึงพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ได้เพราะถ้ามีอะไรแล้วเราก็เอื้อเพื่อเผื่อแผ่ต่อกันอันนี้ถือเป็นอัธยาศัยของคนไทยที่เคร่งครัดในพระพุทธศาสนาอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นปาหุเนยะบุคคลเนี่ยจึงได้แก่พระสงฆ์และก็มารดาบิดาที่เป็นบุคคลควรของต้อนรับ คือควรที่เราจะได้นําสิ่งของเนี่ยไปถวายท่านอย่างหนึ่งแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือควรที่เราจะได้ต้อนรับในวิสุทธิมรรคนี้ท่านระบุไปเฉพาะพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์นี่ควรแก่ของต้อนรับควรที่เราจะได้ต้อนรับท่านอย่างสมมติว่พระสงฆ์ไปเยี่ยมบ้านเราเนี่ยเราต้องรีบต้อนรับพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์เป็นบุคคลที่ควรแก่การต้อนรับการต้อนรับนั้นเราอาจจะมีอาหารมีน้า มีเครื่องบริโภคต่างๆเพื่อถวายท่านในการอาสงควรอย่างนี้เรียกว่าเป็นปาหุเนยะบุคคลที่ท่านตรัสว่าพระสงฆ์นี้เป็นปาหุเนยะบุคคลควรที่เราจะได้ต้อนรับนั้นก็เพราะว่าการเกิดขึ้นของพระสงฆ์เนี่ยเกิดยากท่านบอกว่าต้องสิ้นพุทธันดอนหนึ่งจึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกสิ้นพุทธันดรหนึ่งเนี่ยหมายถึงว่า อายุการของพระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ได้ประดิษฐานไว้ในโลกนี้ได้ถึงการสิ้นสุดแล้วและจะมีพระพุทธเจ้าวัตรัสรู้ใหม่อีกพระองค์หนึ่งซึ่งการตรัสสรู้ของพระพุทธเจ้าใหม่อีกพระองค์หนึ่งนี้ท่านต้องประกาศพระพุทธศาสนาหรือต้องประกาศสัจธรรมเมื่อประกาศสัจธรรมไปผู้ที่ได้ฟังได้ประพฤติตามปฏิบัติตามแล้ว บรรลุธรรมตามนั้นก็บวชในพระพุทธศาสนาท่านผู้นั้นก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหรือเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาเนี่ยพระสงฆ์นั้นเกิดขึ้นในโลกนี้ยากสิ้นพุทธทานดรนหนึ่งจึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เราได้ถวายของหรือถวายการต้อนรับพระสงฆ์นั้นจึงถือว่าเป็นปาบุเนโย เป็นการประพฤติปฏิบัติที่ที่ถูกที่ควรแล้วในปัจจุบันนี้เราจะสังเกตได้ว่าสาธุชนที่อยู่ในท้องถิ่นที่ขาดแคลนพระสงฆ์จะมีความรู้สึกว่าขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งในชีวิตของตนเองคือจะทำบุญก็ไม่มีพระเช้าจะใส่บาตรก็ไม่มีพระมารับอาหารบิณฑบาต นี่แสดงว่าถ้าพระสงฆ์ไม่มีอยู่เราก็ไม่มีทางบำเพ็ญกุศลได้อยู่ที่ใดก็าตามถ้าเราไม่มีโอกาสได้เห็นพระเห็นเจ้าหรือไม่ได้ทําบุญสุนทานบ้างเราก็คงไม่อยากจะอยู่และสถานที่นั้นก็คงจะไม่เป็นปฏิรูปประเทศสําหรับเราเพราะว่าอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ทําบุญทํากุศลเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นปาคนณเอยบุคคลที่ควรสาธุชนทั้งหลายจะได้ถวายการต้อนรับท่าน อย่างเราอยู่ในปฏิรูปประเทศเช่นท่านทั้งหลายอยู่ในกรุงเทพพระมากแต่ก็มากเฉพาะในบางแห่งถ้าบางแห่งวัดห่างพระก็ไปโปรโดไม่ถึงท่านทั้งหลายก็ไม่มีโอกาสใส่บาตรตอนเช้าๆชแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ใกล้วัดใหญ่ๆเนี่ยอย่าอย่างท่านทั้งหลายอยู่บริเวณใกล้วัดมหาธาตุในวัดโพวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์ซึ่งมีพระสงฆ์รวมกันมาก มีวัดอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่ห้าหกวัดในกลุ่มนี้เราก็มีโอกาสที่จะได้ใส่บุญใส่บาตรมากบางท่านเห็นต้องเอาอาหารใส่ท้ายรถมาจอดใส่บาตรแถวท้องสนามหลวงบ้างแถวเสาชิงชาบ้างก็เพราะว่าแถวนี้มีพระสงฆ์มากเดี๋ยวถึงคราวที่เราจะทำเบริบุญเราจะเห็นว่าพระสงฆ์เนี่ยมีความสำคัญเหลือเกินถ้าไม่มีท่านแล้วเราก็ทาบุญได้ไม่สาเร็จ เราจะเห็นความสําคัญของพระปรตอนที่เราคิดจะทําบุญหรือบางทีมีใครเป็นอะไรร่มหายตายจากไปเราคนึกถึงพระกันละ่ะตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าพระสงฆ์มีความจําเป็นมากเพราะฉะนั้นปาหุเนยยะบุคคล น, นี้ท่านจึงระบุไปว่าได้แก่พระสงฆ์ทีนี้ทักคิเนโยหรือคําว่าทักคิเนยะหรือเราเรียกภาษาไทยว่าทักคีนา ทักขินาทานหรือทักษีนาทานที่เราใช้กันอยู่คำว่าทักขิเนโยนี่ก็คือเป็นผู้ควรทักษีนาทานเป็นผู้ควรแก่การทักษีนาทักษีนาหรือทักขินาเนี่ยโดยความหมายนั้นคืออะไรที่เรียกว่าทักขินาท่านให้คาจากัดความว่าผู้ใดก็ตาม ที่บําเพ็ญทานด้วยมีความเชื่อในปรโลกอันนั้นนะ่ะคือทัศคีณาหมายความว่าที่เราบริจาคทานกันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะเราเชื่อในปรโลกก็คือเชื่อในโลกหน้าว่ามีอยู่เราเชื่อโลกหน้ามีอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงบําเพ็ญทาน บางคนก็เลยเข้าใจว่าบําเพ็ญทานในปัจจุบันนี้ก็เพื่อที่จะไปรอรับผลในชาติหน้าเพื่อที่จะได้ไปรับผลที่ตนเองได้บําเพ็ญไว้ในปัจจุบันชาติเนี่ยเมื่อตอนเองไปเกิดในชาติหน้าแล้วบุคคลใดที่บําเพ็ญทานเพราะมีความเชื่อในปรโลกท่านบอกผู้นั้นแหละเป็นผู้บําเพ็ญทักษิณาหรือทักขินานเรื่องของปรโลกนี้ก็เป็นเรื่องโลกหน้า เรื่องโลกหน้านี้ท่านทั้งหลายจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่ที่ท่านทั้งหลายจะใช้เหตุผลพิจารณาเองว่าควรเชื่อมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของโลกหน้าเพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนให้เราเชื่อเหตุผลท่านทั้งหลายที่มีเหตุผลเพียงพอก็คงจะวินิจฉัยด้วยปัญญาของตนเองได้ว่าควรจะเชื่อหรือไม่เพราะว่าถ้าเหตุมีอยู่ผลก็ย่อมจะมีโดยเราไม่ใช่เกิดมาเฉพาะชาตินี้เท่านั้น แต่เราจะต้องเกิดในชาติหน้าต่อไปอีกเมื่อตายจากโลกนี้แล้วก็จะต้องไปสู่โลกหน้าต่อไปการไปสู่โลกหน้านั้นถ้าหากว่าเราไม่มีสเสบียงเป็นเครื่องเดินทางแล้วการไปสู่โลกหน้าก็จะต้องลำบากเราะบุคคลที่ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ก็ต้องอาศัยบุญกุศลมาเป็นเครื่องสนับสนุนถ้าไม่มีบุญไม่มีกุศลแล้วถึงจะเกิดมันก็เกิดไม่ค่อยจะสบายนะัก อาจจะต้องเป็นผู้ขัดสนจนยากเพราะว่าเราไม่ได้บำเพ็ญทานไวอย่างนี้การเกิดอีกก็ไม่ใช่เป็นของสบายฉะนั้นผู้ที่มีความเชื่อว่าโลกหน้ามีจึงพยายามที่จะได้บำเพ็ญกุศลไว้ในปัจจุบันเพื่อไปสู่ความสุขสมบูรณ์ในโลกหน้าด้วยหรือมีความสุขสมบูรณ์ในโลกนี้แล้วก็ยังนึกถึงโลกหน้าต่อไปอีกเพราะว่าความสุขสมบูรณ์นั้นถ้าหากว่าเราไม่บาเพ็ญไวอยู่เสมอ ก็อาจจะสิ้นสุดลงเฉพาะชาตินี้แต่ชาติหน้านั้นอาจจะต้องเป็นคนยากจนก็ได้เพราะว่าตัวอย่างที่ท่านได้แสดงไว้ในพระไตรปิฎกนั้นมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันกล่าวถึงเรื่องของเศรษฐีแล้วก็เป็นคนตรนีไม่บำเพ็ญทานตายไปแล้วมาเกิดใหม่เป็นคนยากจนเป็นขอทานแม่บ้านจะอยู่ก็ไม่มี อย่างนี้ก็มีอยู่แสดงให้เห็นว่าเป็นเศรษฐีในชาตินี้แต่ว่าอาจจะไปเป็นยาจกในชาติหน้าก็ได้ถ้าหากว่าปฏิบัติไม่ถูกหรือไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไหว้เนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ที่เชื่อในโลกหน้าแล้วบริจาคทานเราก็เรียกว่าผู้นั้นได้บำเพ็ญทักษิณาทานแล้วพระสงค์เป็นผู้ควรแก่ทักษินานี้จึงยกย่องว่าเป็นทักษิเนยบุคคลหรือเป็นทักษินายโย สังกัคคุณประการที่สี่คืออัญเชรีกรณิโยคาว่าอัญเชรีกรณิโยเนี่ยอัญชรีกรณิโยนี้แปลว่าเป็นผู้ควรทำอัญชรีกรรมอัญชรีกรรมนั้นคืออย่างไรอัญชรีกรรมเนี่ยคือการยกมือไหว้ท่านบอกว่าเป็นผู้ควรแกการยกมือวางไว้บนศีศรษะเรียกว่าอัญชรี อัญชิีกรรมก็คือยกมือพนมไว้เหนือเสียงกล้าวของตนเองแต่การยกมือไว้เหนือเสียงกล้าวของตัวเองเนี่ยประเพณีไทยระ ว, ว่าไม่ใช่การกระทำอัญชิีการไหวแบบนั้นท่านบอกว่าไม่ถูกยังสูงที่สุดก็ระหว่างคิ้วอย่างเรายกมือไหวแสดงคาระวะอย่างสูงเนี่ยก็แค่ระวางคิ้วหรือว่าระวางอกแต่ถ้าหากว่าเลยไปถึงศีรษะแล้วท่านบอกว่า เป็นการไหวแบบเปรตขอส่วนบุญคนไทยบอกว่าเป็นเปรตไปฉิบแต่ว่าอัญชรีเนี่ยท่านบอกว่าเอามือวางบนศีรษะวางบนศีรษะก็คงจะยกมือขึ้นบางบนศีรษะอคือพน ม, มไว้บนศีรษะเสมือนกับเป็นพุ่มดอกบวัวแล้วก็โคง้งศีรษะลงอย่างเนี้ยเรียกว่าอัญชรีแต่ว่าประเพณีไทยบอกว่าไหวแบบเปรตใช้ไม่ได้แต่ในทางบาลีท่านไวอย่างนี้อัญชรีนะคือวางมือไว้บนศีรษะ ดังนั้นการที่เราจะทําอันชรีต่อบุคคลใดนั้นก็เห็นจะมีแต่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ควรแก่การกระทําอันชรีกรรมดฉะนั้นเมื่อเราเห็นพระสงฆ์เราก็ทำอันชรีกรรมแก่พระสงฆ์อย่างนี้เรียกว่าอันชรีกราณีโยประการสุดท้ายคืออนุตตรังปุญญคเข ต, ตังโลกัส ท่านยกย่องพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างยอดเยี่ยมแตอว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างยอดเยี่ยมนั้นเพราะทัยทานทั้งหลายที่เราได้หวานไว้แก่บุคคลทั่วๆไปนี้ท่านบอกไม่ประเสริฐเท่ากับได้หวานไว้แก่พระสงฆ์ ถ้าเราหวานยธยทานอนใดไว้แก่พระสงฆ์แล้วพระสงฆ์นั่นแหละคือเนื้อนาบุญอย่างยอดเยี่ยมนี่เป็นเป็นการยกย่องพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาในอัตตกถาท่านได้ให้อธิบายในตอนนี้ไว้ว่าแม้เราจะบำเพ็ญทานต่อบุคคลอื่นๆมากมายสักเพียงใดก็ตามหรือแม้แต่บุคคลผู้ที่บูชายัญ หรือกระทำยันยกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามแม้ว่าผู้นั้นจะทำการบำเรอไฟตั้งร้อยปีท่านกล่าวว่าไม่เท่ากับการบูชาพระสงฆ์แม้เพียงชั่วประเดียวเดียวการบูชาพระสงฆ์แม้เพียงชั่วประเดียวเดียวนั้นประเสริฐกว่าแสดงให้เห็นถึงผลแห่งทานที่เราได้บำเพ็ญว่าเราจะทำทานแก่บุคคลใดจึงจะได้ผลมาก ควรแก่การที่จะได้รับทานแล้วก็ได้ผลมากจริงๆว่าบุคคลใดบ้างที่ควรแก่การได้รับทายทานนี้และทายทานที่เราบำเพ็ญไว้นั้นจะให้ผลแก่เราอย่างมากเยปัจจุบันนี้ผู้ที่จะรับทานนั้นไม่ใช่แต่พระสงฆ์เท่านั้นมีมากคือบุคคลที่นอกเหนือไปจากพระสงฆ์ แต่เป็นบุคคลที่ควรแก่การสงเคราะห์ก็มีมากจึงมักจะมีปัญหาเกิดขึ้น บ, บ่อยๆว่าเราควรจะทำกับใครจึงจะได้ผู้สนมากกว่ากันเช่นคนแก่ก็ควรแก่การสงเคราะห์คนเป็นโรคเรื้อนก็ควรแก่การสงเคราะห์คนปัญญาอ่อนก็ควรแก่การสงเคราะห์เด็กกำพร้าก็ควรแก่การสงเคราะห์ ปัจจุบันเนี้ยจึงมีองค์การสงเคราะห์ที่เป็นองค์การกุศลได้บำเพ็ญกิจหน้าที่อย่างเนี้ยหลายหลายองค์การด้วยกันแต่ละคนแต่ละคนก็จะต้องบอกว่าการสงเคราะห์บุคคลเช่นนี้ได้กุศลมากคนหูหนวกตาบอด ก, ก็ได้กุศลมากต่างคนต่างก็ต้องบอกว่าอย่างเนี้ยได้กุศลมากอย่างนั้นได้กุศลน้อยอะไรต่างๆหรือแม้แต่การสร้างโรงเรียนกับการสร้างโบสถ์ บางทีก็มาเถียงกันว่าสร้างโบสถ์ได้ผุศลดีหรือสร้างโรงเรียนได้ผู้สนดีกว่าสร้างบาลกับการสร้างโบสถ์เนี่ยใครจะได้บุญมากกว่ากันอย่างนี้เราก็เถียงกันอยู่แล้วก็ไม่สามารถตกลงได้อาตมาเองยังต้องทําหน้าที่ตัดสินใจให้โยมหลายๆลายคนพอจะมาทําบุญบอกว่าเอ๊ะทำอะไรดีถึงจะได้บุญมากแหมอันนี้พูดยากเพราะทําทอะไรดีจึงจะได้บุญมากเนี่ย คำว่าบุญมากบังกล่าวนี้ไม่รู้ว่าจะเอามากกําแค่ไหนประทําทอย่างไหนถึงจะได้บุญมากจะสร้างโรงพยาบาลดีหรือจะสร้างวิทยาลัยดีหรือจะสร้างไอโนนดีไอนี่ดีโยมก็มักจะถามบ่อยๆคือบุญเนี่ยถ้าหากว่าเราจะเอามากแล้วบุญนั้นจะต้องบิดเป็นบุญประเภทวิวัตรคามินีท่านใชาา้คําว่าวิวัตรคามินี คือเป็นบุญประเภทที่ทำลายวัฏสงสารได้หรือทําให้เรานี้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดได้บุญชนิดนั้นน่ะเป็นบุญที่มากถ้าบุญอะไรยังส่งเสริมให้เราเกิดอีกเพื่อมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วบุญอันนั้นก็ยังไม่ใช่บุญที่มีอนิสงส์มากบุญที่มีอนิสงส์มากนั้นต้องไปสู่ความไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกเป็นวิบัติขามินีกุศลบุญชนิดนี้ก็คือการบําเพ็ญ วิปัสสนากรรมฐานจนกระทั่งเกิดมรรคเกิดผลขึ้นมานั่นแหละได้อา น, นิสงส์มากแน่ถ้าเป็นโสดาบานนันหรือสกท า, าคาแล้วก็กุศลอันนั้นแหละที่ทําลายวัฏสงสารของเราได้หรือทําลายพบทําลายชาติได้ถ้ากุศลที่เราทํากันอยู่แต่ว่ายังเป็นเหตุให้เราท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี้ต่อไปแล้วกุศลอันนั้นก็ยังไม่เรียกว่าเป็นกุศลที่มีบุญมากหรือมีอานิสงส์มากตามที่เราต้องการ โดยเหตุนี้ถ้าจะถามว่าทําบุญอย่างไรจึงจะได้บุญมากเนี่ยจึงขอให้เราได้พิจารณาถึงเนื้อนาบุญเป็นสําคัญจึงอยู่ความจําเป็นของสังคมในปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องอาศัยการอุปถัมภ์ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันจากบุคคลที่พอจะช่วยเหลือบุคคลอื่นได้เราก็ต้องช่วยเหลือเกือ้อกูลต่อกันเพราะฉะนั้นองค์การอุปสงต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายเนี่ยก็เพื่อที่จะ ให้เราได้บำเพ็ญกิจหน้าที่อันนี้คือการสงเคราะห์ต่อบุคคล